ทำไมถึงทำท่าทำทาให้คนอื่นมาอาราธนาเจ้าก่อก็เพราะทำเนียของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นมาอย่างนั้นการแสดงเยโมกกรมันกันก็แสดงตามทำเนียมของพระพระพระสมานพระพุทธเจ้าองค์องค์การอาราธานาใน้มาเทศโปรดสัตว์ในวัจจท ร, ษษ ร, รังสารก็เหมือนกันเป็นทำเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนไม่ได้ทำให้นอกเหนือทำเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเลย พอทัศลูแล้วจะได้แสดงธรรมจักรประวัติน้สูตรก่อนหมูก็เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเหมือนกันไม่ใช่แต่พระพุทจะทํารอยเข็ดเล ย, ย <c oughs> แต่สมมาสาวกก็เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อ น, น, น, นเหมือนกันนามพิธีนี้เหมือนกันสาวดีบุตรโมกคันลาปารถนาเป็นสาวกาบนซ้ายบงขวาแต่ข้างพระเจ้าอนุมัติสีชนท์ตะมูพระเจ้าอนุมัติสีก็ทํ า, ทานายทายครับว่า ต่อไปนี้นานแสนนา น, านจะมีพระสมณะโคดมมาข้างหน้าเธอทั้งหลายจะสำเร็จเป็นภาษาบกบ้างซ้ายบ้างขวาจริงส่วนลูกศิษย์คนละหมืน่นลูกศิษย์ภาษาเรียบุตรก็หมืน่นไม่ใช่หมืน่นคนละสองหมืนเป็นสี่มืน่นในฟังเทศพระเจ้าอนมทัสสียไม่ได้ปราธนาใดเลยคอให้คนทุก โดยด่วนในขณะที่นั่งฟังนี่ก็แล้วกันเพราะ น, นั้นเขาสำเร็จพนาหันหมดเป็นเอหิพิคุพัฒมาาหมดนะครับพิบุตรโมกนณาไม่เอาพอไปเห็นสาวกเบื้องขวาของพระ อ, อนานมทัฏฐศรีและชอบมากพระสาวดิบุตรโมกคณาก็เหมือนกันก็เลยปาถนาพระสาวกบางซ้ายบางขวาเหตุไนจึงไปพบกันอยู่ที่ป่ากับพาะพุทธเจ้าอนานมทัฏฐศี ก่พระว่าพวกนั้นพวกนั้นเป็นแสดงเป็นสาร ะ, ะดาบุตรมีบริวารคนละสองหมืน่นสองหมืน่นอยู่ในป่าแล้วเจ้าอโนุศัสสีมาก็เกิดเรื่องใสยจะประกาศว่านี่ประชาชนพลเมืองเห็นก็ไปกราบพูนนะเ อ, อนเน้ยนายมี่กมนึกว่านี่แต่ท่านสองพระองค์นี่ยังมีคนดีกว่าพวกท่านอีกหรอกหรือโอ้ยเจ้าพูเจ้าพูเจ้าพูเรามันเหมือนเม็ดันพักกัน พระองค์เจ้าเหมือนภูเขาสีเนลรลราพระชายาบุตรในสมัยนั้นเพราะในสมัยนั้นก็โด่งดังพอพระเจ้าจอโนมาทัศสีมา ก, ก, ามาก็กราบว่ากั้นชัดให้ถึงเจ็ดวันมั่นจัดให้พระ อ, องค์เขา้าในโรดสมาบัติแล้วก็ฟังเทศด้วยพอออกจากสมาบัติมาแล้วขาดลูกศิษฟังเทศ ล, ลูกศิษย์ก็ําเร็จพาาระหัสมดยังแปลภาษาเดบุตรโมกขันลา เพาความปรารถนาในพบน้อยพบใหญ่ยังมีอยู่ความปรารถนาในพบน้อยพบใหญ่มันเดินไหวเหมือนกันทําไมจึงพอใจเ <c oughs> พื่อคนทุกข์ในวัฏจักรสงสารในปัจจุบันในชาติคําว่าปัจจุบันในชาติปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมเรียกว่าปัจจุบันในชาติเมื่อพ้นจากที่เดีโดยสิ้นเชิงในปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมก็คือปัจจุบันในชาตินั่นเองเรื่องมิตต่างๆนานา เออมันผ่านมาแต่พันออกปฏิบัติที่แรกแล้วพัะจะเปลี่ยนไปเพราะเหตุใดคำว่านิมิตทะลุภูเขามันเหลือวิสัยผู้ฟังจะเชื่อมันเป็นด้วยที่ไหนี่นเออมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราภาวนาเข้าไปเราภาวนาเข้าไปมันก็เกิดแสงสว่างเสงสว่างมันก็ทะลุภูเขาไปเลย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 เพาะไม่ถึงอุปจารสมาธิทำไมเป็นดอกอุปจารสมาธิโลดผนและปัญห า, าสมาธิมันมันไม่ไปดอกมันอยู่กับที่แล้วหนสื่อว่าแตเบาเท้านั้นแหะมันก็อยู่กับที่อุปจารสมาธิทั้งนั้นแหะที่โลดผลปรากฏว่าหอเหินเนืน้อน้าขาดอุปจารสมาธิทั้งนั้นแหะมันก็ไปทั้งตัวมันน่ะล อ, อเหมือนเรานอนฝันนี่แต่มันชัดกว่าฝันห่อข้ามกําแพง พยุงตัวลงเหาะคุกเขาอยู่ข้อกอยประใต้วันหนึ่งสนทนากันกระภพาะพิกษสู์เปิดปัญหากันขึ้นมากมายหลายล้นเปิดปัญหาในเรื่องทดงแต่เรายึดถือรั้นเราไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนทวดงมูจะเปลี่ยนส่วนลกบูเทศท่านแม้ว่า เนี่ยแต่สะดวกของใครของมันหลวงปู่เทพเป็นผู้ชนะว่าส่วนพระเป็นพวกน้อยนะ่ะสนทนากันว่าจะเปลียป่ยนทูดงจะเปลี่ยนทําไมเนี่ยนะเราไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นเราก็ทําดีเพราะเกรี้งท่านจะไม่รับเราไว้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ท่านสิ้นลมปานไปเสียแลว้วไม่พอปีพวกเราจะขนทูดงมาทิ้งลงในมหาสมุทรอินเดียผมไม่ยอมเป็นอนุญาตพูดอย่างนี้ทีนี้ผมไม่ยอม มันจะสู้เขาอยู่ภาคอีสานไม่ได้นะเนี่ยนะเรามาเสียข้ารถค่าเรือขนาดไหนแล้วเอาข้อวันของท่านมาทิ้งผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมทิ้งกระหมูเสียงกันไปเสียงงันมาหมูก็ไม่ใช่เสียงผิดกันเรอกก็พูดกันยิ่มแย้มแจ่มใสนี่แหละท่นดงอันนี้จะทิ้งวิธีไหนก็ตื่นเช้าแล้วเขาก็เอานมมาให้แล้วไปฉันนมเชียก่อนจยงไปบินธบดเออ มันไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อคนทุกมันมาหากินผมไม่เอานะนี่นะอือพูดอย่างนั้นลหละทีนี้พอ ม, มันคัดต่อโุ ด, ดงมันก็เป็นชั้นสองโหนที่ถ้าชั้นนมแล้วจงไปบินถวาลผมไม่เอารอกอะไรนะ้หรอว่ปูเทศหัวเราะทีสนทนากันไปใายกันมาทีนี้ก็ยิ้มย่ยมแจ่มใสต่อกันนั่นล่ะทีนี้ท่านอาจารย์มหาปริน บอกว่าเราไม่ต้องรับในมน์มาทางนี้ไม่ต้องรับในมล น, นี่องค์หนึ่งคัดค้านท่านเอกถ้าไม่รับก็ไม่รับหมดมันจึงถูกถ้าเขาเอารถสวยๆมารับเราก็แต่งของไม่ทันก็พอร้องพอให้ละพอร้องให้ละก็ขึ้นรถขับหลอไปถ้าไม่รับก็ไม่รับทั้งคนรวยและคนจน คนหนึ่งคนเอาตามแบบท่านอาจารย์มหาศิลป์หรือว่าที่ถูกโจมตีชาวสลาดทีนี่เราเป็นคนทุกคนจนไม่ได้ทำบุญกับพระก้นงีดอกคนรวยท่านไงไปนั่นนั่นนั่นน่นเห็นไหมท่านอาจารย์มหาทีนี้ก็อยู่มาอยู่มาก็เลยตกลงรับในมวยไม่ช่พระงีดอก พระในจันมหานี่มันกระพัดตังมันเป็นรับในบนก็าพเจ้บรมศาสดาทรงอนุญาตล้วจะประ้ังกฎมันก็ไม่ถูกแล้วแต่ใครอ่างนะฉันกำธนากันไปทั้งว่ากันทีนี้เราก็ไปนอนที่กระต๊อบทีนี่แล้วก็กำหนดลมนอนทีอนี่นอนอะในวันนั้นนอนที่กระต๊อบมงุงจ่า เสาไม่ถผ่บ้านเขาเรียกว่าไม่ช็อก น, นันลำโตเท่าไม่ถผ่บ้านเลยมุงจากเรารื้นหัวไปทางทิศหนือที่กุดหลวงปู่เทศอยู่ไกลจากเราขนาดนั้นนี่เป็นกดมุงจากเหมงอกันกุดเราก็อยู่ในระหว่างขนาดลงไฟนี่เองไปทางทิศนี้กัน กูรู้กเทียบกูยู่จังทิศนี่กูาในจัรมหาเขตนี่ก็อยู่ขนาดกุม ค, คิดกุลล่างหนึ่งนี่ก็อยู่ขนาดล้างนี่นักกพรศึกษาสองนรังแล้วะกันอนภาวนากำหนดลมหายใจเข่าอกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผูององององ้อื่นพรกำหนดลมหายใจเข่าเพราะมีแต่สังขามีแต่กองทุกทีนี้พิศใหม่ เราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีจะมีเรามาจากไหนมีแต่ขัห้ามีแต่ความทุกข์ก็มีเรามาจากไหนเราไม่มีของเราไม่มีก็มีแต่สังขารมีแต่ความทุกข์ข้อกําลังให้แก่ข้อออกแค่นี้มาบริกรรมแต่เพียงว่าเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีมันเป็นคํายาวเกินไป แล้ไม่ใช่คําเดียวไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่คำว่าไม่หมายความว่าไม่ใช่เราหรือเราไม่มีพฤติกรรมคำเดียวแต่ไม่ไม่ไม่เพื่อเกกับพูดที่ว่าไม่นะ่ะมันอยู่ที่ไหนมันว่าขึ้นจากไหนดาวลงมาถึงนี่เพ่อควบรวมข้อระออกเห็นพ่องมันก็พ่อควบมวมข้อระเบิดไมนมีอันใดก่อนให้เราอมลมละเอียดพับเข้าไปที่นี่เงียบเลยที่นี่ แสงสว่างโลออกมาทีนี้มันเป็นมุปัญญาสมาธิเราเพ่งเกินไปมันก็กลายเป็นฌานทีนี้ที่แรกมันเป็นวิ ว, วิปัตนาบริกรรมมันเป็นปัญญาบริกรรมถ้าเราเพ่งเกินไปมันก็เป็นกลายเป็นฌานทีนี่กลายเป็นมุขปัญญาสมาธิมันก็โล่งมดในวัดนะในวัวกอีนะี่ที่นี่เราปรากฏว่าเรามาทำข้อวัดดูที่กับหลวงปู่หลวงปู่เทศทีนี้ แล้วกุดของเราอยู่ที่ฮัไม่รู้ว่าเรามาครเวลาไหนเรามาอยู่ที่นี่ดูคนแสงสว่างไปเรามองไปเห็ น, าา น, นพระอาจารย์ั่านพิณนามาทางนี้จริงนิณนาวะทางนี้ท่านก็ยืนห่มผ้าชื่อเอียงบ่าอยู่แบบนี้แต่ว่าผินมาหน้ามาทางนี้ห่ามผ้ า, าีื่อเอียงบ่าอย่านี้ไม่ได้ยืนแบบนี้ยืนแบบนี้ห่มผ้าชื่อเอียงบ่าอย่างนี้ ว่ญญาเเ น, นี่ยลงแบบนี่จะคายยากแต่ว่าพินามาทางนี้เราพินาศมาทางนั้นุของเราอยู่ขนาดลงไฟนี่อุ้ยของท่านกุแต่ว่าเราอยู่นี่อ๋อ น, น, นี่มียากใหมหม่ทนนลงที่นี่ะทำอย่างนี้ลงทาทั้งเลยแต่ท่าน ม, มองไกล ไม่ดึงดึงแบบนี้พอเราเหลือเพียนทค่นี้พอเราเหลือเพียนอ๋อท่านอาจารย์ใหญ่มาแล้วเราเหลือเพียนเอเราจะไปโดยไปเกี่ไหนเราคุกเข่าเหาะไปเราจะไปเหาะสูงถ้าเหาะสูงมันก็กระหายนึกใไในใจจาได้ถ้าเราเหาะสูงมันก็กระาราหายนะเหาะไปจับจังเด็กบนองมือพ่อ ความท่ากเขาพอโน้ยางนั้นนก็ลุกพุโทโธขณะจิตเดียวปริวขึ้นเล ย, ยนี้อันในไม่มิตเนี่ยเพราะนั่นก็สว่างโล่อยู่เหมือนกันห่อคูกเขา่าห่อคูกเข่าปนมือพ่อคุกเข่าปนมมือพ่อค่อยไค่อยไ ป, ปเนี่ยไม่ไม่ไม่ไปรวดเร็วพอไปถึงท่าน พอไปถึงท่านก็พยุงตัวลงพยุงเขาลงทั้งมือก็นอบอยู่ด้วยแล้วก็เหงี้ยนหน้าไปแม่มันชัดมันจำได้ชัดไงผู้ไหวเป็นพู้ให้ฟังก็ไม่เชื่อรอกเงี้ยหน่อยแ้าก็ยื่ท่านใจเปลี่ยนยากไหมหน้าตาไรเลยท่านจะเปลี่ยนมั้ยากไม่เปลี่ยนหรอกอันนี้ก็เอามาจาก บ, บ้านน้องถือ ที่พะอาจารย์ใหญ่ไม่เสียถ้าเปลี่ยเนี่ยพระอาจารย์เขาไม่ได้อันนี้เขเดี๋ยวยมจะมาแต่เขาของเราลงพื้นแน่นพราเราค่อยพยุงลงไม่ไม่ลงแบบตึงพยุงลงค่อยเบาล ง, ลงเดี๋ยวยมจะมาหาเราเราจะหนี้ดอกแต่ว่าหน้าตาของเราไหลแล้วเดินไปสองสามก้าวหายตัวไปเลย แต่เราก็ยังโค้องอยู่ที่นั่นยังไม่ได้ลุกหนีจากที่นั่ น, นยยพอนออ็นั่งตาไหลพราะจิตถอนออกมาพ็นั่งตาไหลอยู่แต่ <c oughs> ว, ว่านอนไม่ใช่นั่งนอนภาวนามันชัดยิ่งกว่าฝันที่นี่เออเราจะไปละโยมจะมาเลยยอมจทราบว่าเรามาเขาจะมาหาเราเราคิดจะพูดกองเขาเดินไปสองสองเก้าก็เลยหายตัวไป แล้วก็พอวางอยูที่นั่นสักพู่แล้วก็กลับมาอีกทีนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนมายืนแบบต่านะอ๋ออ๋ออ๋อย่าอ๋อไไม่ไม่ไม่ไม่ไอาหรกเพราะอันนี้ก็เป็นของเพ่อแมีครูจารให้ของเก่ายังไม่ทันพอทิ้งถ้าเราจะเอากับท่านแล้วก็เกรงว่าท่านจะเพ่งโทษว่ามันไม่สันโดษเพราะมันไม่ทันพอที่จะถ่าย แล้วก็ไม่ออกเออถ้าอย่างนั้นเราจะนี้จะไปเราพยมจะมาหายตัวไปรึเลยที่เราก็ตื่นจะรุ่งขึ้นมาก็เห็นลมป๊อกป๊อกป๊อกป๊กอยู่นี่เชือก่อนเนี่ยปิดกึ้งพุ่งไปทางอื่นเนี่ยถ้าเราตื่นขึ้นมาเราไม่เห็นลมเราก็นึกว่ามันจะฝันจริงๆริงอันนี้เราเข้ากรรมาฐานที่ไหนมันเห็นอยู่นี่แล้ว เ, เข้าไปจากลมจิดเราพุ่งออกมา พอจิตเรารู้สึกตัวมาเราก็มาเห็นลมเข้าลมออกก็คแคๆอย่างเห็นบริกรรมคาเก่านั่นเองไม่ใช่เราเราไม่มีไม่ใช่เราเราไม่มีเพราะของเราเลยนีไม่ใช่เร า, เราไ ม, ม่ไม่ไม่ไม่ยกคำเดียวไม่ไม่ไมยกคําเดียวมาเห็นอนาคตหน้านนนตาเราก็เลยไห ล, ยลยอยู่ อ, อตื่นขึ้นมาวันใหม่บรรยากาบเรียนโลภู หลวงปูเทพท่านพิจารณาได้คนยังไงได้อยู่กับผมแต่ว่าจะถูกหรือจะผิดไม่ทราบข้อวัดที่พาทาอยู่บ้านน้องผือนั่นถ้าลงมาทางนี้ถ้าเขาคัดข้อก็ให้เปลี่ยนเสียบ้างค่อๆก็ไ่วอย่างนั้นแหละจึงเอาย่ามใหม่ให้ข้อวัดอันเอามาจากบ้านน้องผือก็เป็นคําสั่งคำช้อนของท่านไม่ยอมเปลี่ยนเพราะท่านโดดอยู่ตามเก่า แต่ท่านก็มาเห็นขู่เข็นอะไร<ม>ก็เลยหายตัวไปยืนเป็นทาตปกครองทั้งเวทยืนไม่รู้ว่าจะถูกจะผิดเออถ้าให้เราแก้เราก็แก้นนะ่าง้นแต่เธอก็แก้ถูกเหมือนกันน้องปู่เทพ <c oughs> พูดให้ท่านมันเหลือฟังท่านมนเหลือไม่เชื่อ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 ยาละแปลว่าไปตามนิมิตรัปัญาสมาธิมันอยู่กับที่ัไม่ได้ส่งนอกหอกหูมันได้ยินหรอกมันถอนออกมาหูจึงได้ยินแต่ว่าเราเข้าวิธีไหนเมื่อเวลามันถอนออกมารู้จาญหาสมาธินี่อัปัญาสมาธิถ้ามันเข้าปรากฏอ่าพับอย่างนี้เวลามันออกก็พับเหมือนกันแ่ะแต่มาเห็นกรรมฐานกรรมฐานที่เราเข้าไปที่แรกเหมือนเราเข้าประตู แล้วเปิแปดแอปอย่างนี้เวลาเราเข้าไปไเวลาออกมาก็แอปอีกเหมือนกันอ่ะแต่มาเห็นกรรมฐ า, านที่เราทัาไว้ที่เราเข้าทีแรกภาปนาสมาธิเช่นอย่างนั้นเสียงได้ยินทีนี่มันไม่ได้ยินเสียงรอกอันนั้นอันแบบนี้มันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเหมือนกันอ่ะผมวงพ่อจะสมาธิพอมันไปตามยมิตรจาระไปว่าไป หลวงปู่มั่นเคยอธิบายเรื่องอุปจารสมาธิคราวยู่ยก็หลวงปู่มั่นไปถ่ายไปถ่ายเป็นเลือดสามสิบครั้งแบกฟืนไปนล่มในระดูขน ล, ล่มกระทิ้นทันล่มคุกเข่าลงพอไปเหยียบที่ปวกที่ลุมปวกเห <c oughs> ยียบที่ลุมปวก ก็คุกเขาตึงลงแบบนี้ก็ทิ้งฟืนทันแล้วมันกระเทือนหัวใจว่าอยู่มาอยู่มาไม่นานประมาณจะเดือนกว่าถ่ายเป็นแท่งๆปนแท่งเนแท่งเนแท่งเแท่งเแต่ออกวันละสามสิบครั้งแท่งขนาดานี้มันเลยแต่ไม่เก็บไม่ปวดอะไรแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็นอนทีนี้นอนมาใดไปส่งน้มให้ลุงปู่ข้าน้าไปที่ไหน ไม่เห็นวันนี้กุฏิของเราก็ไกลอยากที่ของน้ำท่านประมาณกุคุณคิดหลังงูก็เลาให้ฟังว่าท่านเป็นอะไรนายเจ้าตายเป็นเลือดเดี๋ยวนี้นอนจะแคงข้างขว า, ขาอยู่เราก็นอนจะแคงข้างขว า, ขาอยูไม่ได้ผมผ้านี่จะผ่าอาาักกระทบที่อยู่มันก็เป็นกระทบที่กั้นใบตองแล ม, มุงมุงยาก ประมาณพอหลกดเนี่ย อ, อมันน่นไม่ก็ต้องดีดอกอยู่ต้องหลงหูมัง่งท่านก็าลองดังดังขึ้นเออลองดูซิที่นี่ลองดูซิที่นี่เอ่เข้าปัญญานานแล้วเข้าปัญญานานแล้วเออเข้าปัญญานานแล้วตานนี้จะไว้ไหรือไม่ไว้ไม่ทราบละลองดูซิลองดูซิลองดูกรรมฐานซิ ร้องขึ้ น, นวันดังๆอาจารย์เออฝ้าผ่าเราแล้ววันนี้แล้ก็ตั้งใจสีนี่เราเห็นจากตั้งแต่คนอื่นตายเราจะดูเราตายมันจะตายพ้องกับลมเข้าลมออกเราจะจับมันมันจะสิ้นลมพานพ้องกับลมเข้าลมออกเราจะจับดูมันแล้วก็บริกรรมสิเนี่ลมหายใจเข้าก็บอกว่าตายลมหายใจออกก็บริกรรมว่าจายลมหายใจเข้าก็บริกรรมวัดจาย ไปประมาณสักสิ้านาทีเพิกใหม่ที่นี่ลมหายใจเข้าก็ไม่ตายลมหายใจออกก็หม่ตายบริกรรมไม่ตาไม่ตายไม่ตายเข้ามลมเข้าลงออกนี่กูปป aja และสมาธิเหมือนกันรวมพิ่ลงลมอย่างนี้ทะลุกุติขึ้นนอนขวางอยู่บนอากาศอย่างนี้ขวางอย่างนี้ไม่รู้านานเท่าไหร่ที่นี่ตอบเจ้าของอยู่ที่บนอากาศน สูงเล็บหี่เลยเม็ด เ, เลยนอนคว้างอย่างเงี้ยนอนจะแคง ข, ข้างขวาด้วยเออนี่แหละมันจึงเป็นสมาธิย่ี้ตัดชินตัวอยู่ข้างบนนี่สมาธิแต่ไม่เป็นปรุปฌานสมาธิที่นี่มันก็ถอนออกมาเองวันกันนานนานแสดงไม่ทราบแล้วไม่มีนาฬิกาดูถอนออกมาก็มาเลยเห็นลมเข้าลมออกอยู่ตามเดิมก็กค่ก็กค่ก็แค่ตื่นเช้าก่อนจึงพุ่งไป ยังกุ้งไปทางอื่นมาเห็นอันนั้นแล้วก่อนวันหลังเราก็ไปกราบเรียนท่านเราก็ใช้คําว่านอนหลับท่านบอกว่าไม่ใช่นอนหลับหรอกแต่ว่าอันนั่นหายแนะ่เนี่ยมันถ่ายหมดอันนั้นไปแล้วแล้วมันก็เลยหายถ่ายหมดเลือดอันที่ข้างมันลงลำํำไส้ก็เลยหายหายไปมันถึงข่าวจะหายก็ไม่ทราบงูไปหา ย, ยามาก็ยังไม่ทำแกมันก็เลยหายท่านบอกว่า จิตรวมในเวลาอานาปนานสติรวมละเอียดถึงเป็นอุปาาาจารในสมาธิก็จานก็เป็นอุปจารในสมาธิอันละเอียดสั้นส่แต่ทุกวันเนี่ยมันไม่เป็นแค่นั้วเพราะมันไม่ไม่ไปอย่างนั้นทุกวันเนมันพิจารณาปัญญาล้นลวนทุกวันไม่ยอมให้ไปอันนั้นก็ได้เพียงแค่นั้นแหละไม่ได้อะไรอีกดอกหมดกําลังก็ออกมาเหมือนกัน เพราะมันยังเป็นสังขารจัดเป็นปูญญาพ่สังขารเหมือนกันจัดเป็นอเนารี่สังขารเหมือนกันจัดเป็นตามาพะระจรกทศุศน์มันตีลังกามันห้อยโหนก็มีมันเดินยังโก ม, มาอากาศก็มีเอมันเดินวนก็มีที่ปฏิบัตนะิใหม่ะมันโลดโผนมากแต่ทุกวันนี้ปัญญามันมันมากละมันไม่ไปใช่แล้ว มันยาวมันมากกว่าเก่าทุกวันมันพิจารณาทีปัจจนาราล้วนมันไม่อิงสมถะไปมากเหมือนอย่างนั้นเพราะเห็นคุณค่ามันมีเพียงแค่นั้นแล้วตีลังกาห้อยห้อยลงมาผ่าสังขารและกีวรยังจะเรียกมีอยู่เหมือนกันอันนี้มันก็ได้เพียงแค่นั้นแ่ะแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่เป็นใช่แล้วเพราะมันไม่ไม่ไปอย่างนั้นทุกวัน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 มันเดินวนก็มีที่ปฏิบัติใหม่ๆมันโลดโผนมากแต่ทุกวันเนี่ยปัญญามันมันมากนะมันไม่ไปใช่แล้วปัญญามันมากกว่าเก่าทุกวันมันพิจารณาวิพัฒนาแล้วลมันไม่อิงธรรมถากไปมากเหมือนอย่างนั้นพอเห็นคุณค่ามันมีเพียงแค่นั้นแล้วตีรังกาห้อยหัวลงมา พาสังฆาและ G กีวนึ่งจะเรียบมีอยู่เหมือนกันอันนี้มันก็ได้เพียงแค่นั้นจะให้มันพ้นกกจากโลภจากโกรธจากหลงมันไม่พ้นหรอกเคยโลภมันก็โลภมันเก่าเลยเคยโกรธมันก็โกรธมันเก่าเลยเคยหลงมันก็หลงมันเก่าเลมันได้แค่นั้นสมาธิจันนี้อันนี้เหตฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าพระโมคคัลลาเหาะได้จริงเราะได้จริงเรายอมเชื่อเนี่ย <laughs> ด้าดินวิบนันคมือนกันอันนี้เพียงอุปจารสมาธิขนาดนี้อยู่ทํพาพระแดนมันมั น, ม น, มนไม่มีไฟไม่มีไฟอยู่เดือนหนึ่งหรือทํพาพระเอกก็ไม่มีไฟอยี่สิบสองวันถ้ำพระเด่นจังหวัดเลยอ่าไม่ใช่พระแดนสะเอตัวด อ, ด อ, ดอดไม่เอกตัวนอนมุสะกดที่จังหวัดสกนลนครจากจังหวัดสกนลนครมาเป็นทาง 14-15 กิโลเมตรมาทางทิศใต้จากเจ้าวัดสกลนครมาทางทิศใต้มันก็ขึ้นอำเภอเมืองกันเองแต่ทุกวันนี้ขึ้นอำเภอไหนไม่ทราบบ้านนานกข้าวโอรู้จักครับรู้จักบ้านนานกข้าวบ้าคำครับติดกันนะบ้านนาคากระพานกข้าวติดกันนะนานกข้าวที่ในหลวงไปทําชิประทานให้เดี๋ยวนี้ครับอนานกข้าวแล้วก no ็บ้านเรานกยูงอีกทางเรานกยูงสมตำบลอ่อย่างครับ บ้านนากับแก้อีกนะนะครับแก้กับตะบนห้อย่างเออไฟหมด น, นะอยู่ในบริเวณนั่นแหละเราไปอยู่นั่นยี่สิบเก้าวันไฟไม่มีเลยเมื่อวันฉันทางสี่กิโลขึ้นเขาลงห้วยเออเรามาอยู่คนเดียวเรามาอยู่คนเดียวนี่ถ้าหากว่าเราจะไปชันบนภูเดียวเขาจะกล่าวตู่ว่าเรา เอาเข้าวบ่ายเหลือไว้กินตอนเย็นนี่ยจำเป็นต้องเท้าอุบายชั้นนี้เขาเห็นเราถามเขาว่าออากจากบ้านมานี่ที่นาที่ทุ่งนาเี่มีน้ำไหมเขาเขาบอกว่านีจะมาจะฉันที่นี่น่าจะพายบ่ายเปล่าขึ้นไปข้างบนฉัน น, นี้เขาเห็นพายบาดเปล่าขึ้นไปถ้าเราพายบ่ายขึ้นไป ขึ้นมาด้วยขึ้นไปชั้นบนภูเขาก็จะกล่าวทูว่าเราเอาอาหารเสรไจว่ายกินตอนเย็นแล้วขาของตระกูลทั้งขลาดบ้างนะสนามข้างบนก็มีอย่แต่คนทางร้อยเส้นก็สี่กิโลกว่าสี่กุลสี่กิโลคนทางคนทางประมาณร้อเส้นข้างเขาเขาก็บอกว่าร้อยเส้นสี่กิโแต่เป็นภูเขาชันเขได้เหมือนกัน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 ก็พบมันพอพบมันก็ตอบต้นได้ทันทีบอกว่ามันหลงสติมันเดี๋ยวมันจะไปหรอกวู้กคาเดียวลเลยไปเลยสูงขนาดเอวนี่ใกล้ๆไปเป็นวันแข้งเดียวทน่นัมันก็ขิ้นมาห า, าเราแล้วก็กำลังก้าวขาก้าวขาใช่ ย, ยังไม่เหยียบถึ้งดินพอเห็นมันก็ตอบได้ทันทีไม่สะดุ้งเลย เพบริกรรมภาวนาว่าทุกข้าวขาเดินไม่ใชดลูมันเอี้ยวจากก้อนหินไปนิดหน่อยมันเป็นทางคดๆพอเอี้ยวไปก็ไปพบมาเลยแล้วลำบามานานาแล้วในทางพุทธศา ส, ะ ส, ะสะนาแล้ว น, นี้เราอยู่อย่างสบายเลยสมัยนั้นคุณแม่โน้มหลวงวิจารณ์แม่วิจารณ์ผมมีแต่สิ่เลย สกุลละครพศ2514มีจักไม้นมนะมีจักชุวานนลครับ น, น, นางตุ้มชุวานนลครับแม่ลูกอินผมประคับอยู่หน้าบ้านข้างติดกันเลยแล้วติดกันเลยครับท่น<อ>นนานนักงานอยู่ที่นนไ น, น, นคม่ลูกอินสุลละครยี่แปดปีจานคงตา ย, าตายแล้วนะตายแล้วอ๋อจารคงใชยไหมนั่นจานคงก็ไปรอถวายพระเพลิงอยู่นั่น สามเดือนกว่าๆเราถวายพระเพลิงหลวงปู่มันถวายเพลิงแล้วได้ปีเศษผมไปรับรชการที่นันป็นค้งแรกเลยผมเป็นตันผมเป็นผู้ช่วยหัวหน้ามวยมืองจังหวัดค kind of uh ุมสองจังหวัดทั้งตะนลคอนครสระบนโอ้โหฉนั้นแทบทุกตาบลแทบทุกหมู่บ้านผมรู้ดีหมดอหนาในบ้านหลงปู่มน้านในผไปหมด เดินทางสปบ้านหองผัเทียมเข้าไปว า, า, า, า, าริศคภูคุมอะไรแสดงผมทสาบหมดบ้านหนองผือตาบลมน า, นานานใ น, น อ, อําเภอพนานาณิคมสมัยนั้นใช่แต่เดี๋ยวนี้เขคงขึ้นของเก่าอยู่ของเก่าอยู่ไม่ไม่ใช่พุดบาตรหรอกที่เขาไปลงในโลกทิพย์ว่าอําเภอบ้านหนองผือมันลงผิดบ้าๆไปไปอบบบไปที่ว่าไปอยู่จังหวัดสกลนครสีพันศาไม่ใช่หรอกไปรอเขาไปรอถวายหนองผือต่งหากหรอกอาจารย์อาจารย์เว่น อ า, อาจารย์แว่ <im <im <im <im นมาทีหลังหรอกมามาทีหลังหลวงปู่มั่นไม่ผ่านคนะปารูาจารย์แหวนท่านมาทีหลังท่านเขาที่มนมามาอยู่ท mm ี่นั่นมาดูแลมามาดูแลอยู่ที่นั่นพอถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นแล้วเขาก็เอาท่านอาจารย์แว่นมาที่แรกเขาจะเอาท่านอาจารย์วันแ่ะท่านไม่ว่า และลึกถึงอาจารย์มันทุกครั้งที่อยู่วันที่เ อ, อ12พฤศจิกาครับทุกปีที่มาทั้งอานผมไปทุกครั้งท่านเจ้าคุณทําให้เจดีมติท่านเจ้าคุณทําให้เจดี<ม>เยอคนท่านทำงายต้องมาประชุมกันที่นี่นะอออื่ถ้าวันเช่นค่ายกับวันถ า, ายพระเพลิงนี่แล้วก็ประชุมกันประชุมกันก็ทําไป ไม่ถูกกับใจของแต่ละท่านเอบางท่านก็เอาบุญพาเอาบุญทะเวทสั้นดอนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ถูกกับใจกรรมฐานมากถ้าหากว่าจะไปไประชุมที่นั้นบางท่านออกมติว่าก็ไม่ควรพานายได้มีข้อวัดอะไรอะไรก็เอามาเทศสั่งสอนกันเอ่อเอาบุญพะเวทชั้นดอนบ้าง เทศโจท่าน no ั grasp, like ่นทำมาดบ้างท่านี้ทำมาดบ้าเพื่อหารายได้ผู้ใจสูงก็ไม่อยากไปทีนี้เพราะสิ่งหล่นี้มันเป็นกับท่านเจ้าคุณทิยสารอ่าลูกศิดคนปฏิบติของเขาันเออดูว่าเลยมันพัฒนาไปนิดหนึ่งแล้วพอไปอยู่สามสี่ปีก็้ไม่ไปอีกเดี๋ยวเราเล่าตอนนีครัไปไปข้งที่เปิดพิพิธภัณฑ์เนี่ยไปอีก แตอนนั้นรู้สึกว่าอาจารย์ทั้าพระบอกอาารย์พระบองาอาจารย์รบบสิมไปน่ะอจสิมเคยเทศอาจารยสิ ม, สมลูกปู่มหาบัวองหนึ่งไปแล้วก็ท่านอาจารย์เทศบ้างลูกปู่ฟันบ้างแต่ว่าทุกวันนี้คงจะไม่มีใครไปหรอกทุกวั น, วนคงจะน้อยลงแล้วทุกวันเพราะมันเป็นบ้านเป็นเมืองหมดแล้ว แต่ก่อนมันก็ไปบินทบาทมันหนึ่งกิโลกันดีๆนี่เองมันก็มีสนามบินที่พวกโคราชที่สร้างเป็นสารการกระงแรงงานจังหวัดปุกนั่งรกันหมดมันมันมันเป็นบ้านเป็นเมืองมดแล้วทุกวันนี้นั่นแหละเพียงสามสิบปีแค่นั่นแหละมันกลายเป็นเมืองไปหมดแล้วเหตุฉะนั้นจึงว่าแต่ก่อนมันเป็นวัดป่าหมดทร้งพุทธการมก็เป็นวัดป่าหมดพอบ้านงอกมาหาวัด นิโคทารามก็วัดป่าป่ามหาวันก็วัดป่ารัททิวันสวนตามหนู่มรัตทิวันสวนตามหนุ่เวฬุวันสวนแม่ไผ่เป็นที่อยู่แห่งกระแตกลันดะแต่ว่ากระแตสวนแ ม, ม, ม่มาม่วงก็กวัดป่าของนางมันลิกาถวายอัมพะป่าอัมพะวัยอัมพป่าลี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 เพื่อก่อสร้างเพื่อหารายได้ก่อสร้างเพื่อหารายได้ซ่อมแซมมามีมมประจุประจาวงของผมมันแต่ทุกวันนี่มันแตกฉานกันแล้วไม่ร้ว่าจะยังไงถ้าพูดไปมันก็เป็นเรื่องขัดลายได้ป้องกันก็ทําให้คนอืน่นราเถียรถ้าเราไม่ทำํำเราก็นิ่งๆแค่ดีกว่าเราจะไปพูดให้เขารำเถียรเราทุกวันพูดไม่ได้แล ที่ทประกาศทุกวันมีงานทุกปีมีงานทุกปีกทุกสองงานทุกปี <c oughs> แล้วก็ไปปีหนึ่งแล้วไปปีหนึ่งที่นี่เราก็เพียบตายเก็เดยไม่ไปเ <c oughs> พราะมันหนาวจับเพราะเฉพาะนั้นเข้าคิวมาคิวมาถามข่าวแถามข่าวสารพัดทุกทุกกิ๊กิเดียเเด๋ยวกองตับน้าเอ่อก่อเดี๋ยวก็กอง อกองนั่งปกอกองพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาพุทธาพิเศษไม่มีปฏิปทาหลวงหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นบอกว่าจะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นก่อนพวกเราแล้วมันบาปฉันพูดอย่างนั้นหลวงปู่มาหาไปเล่าก อ, องหัวแล้วมันกันแต่ไม่เไมาไม่ให้ท่านเห็น พอเห็นหลวงปู่มหาไปทหารก็มากันเป็นจับๆเลยมาลุมไม่เห็นเออค่อยเชิญให้กลับไปซะก่อนให้องค์ท่านไปทงน้ำซะก่อนทงทหารก็แตกอยงนี้เลยทีนี้มีพระ อ, องค์หนึ่งมาถามเหนื่อยไหมท่านไหนจารย์พระวาสตารก็เหนื่อยสิเออผมเป็นขี้ข้ามาหาเงินให้หมู่หลวงปู่มหา <laughs>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 ถ้วท่ามเหลือก็ไม่ไปแล้วเนี่ยเราก็เลยหลบทีนีเราก็เลยไม่ไปไปเลือกกันทีนี่ปัดักทีนี้พู้โทรโมสังโขนิพพานผูดโทรโมสังโขนิพพานชี ท, นนทุ่มหรือหรือ้าอย่างอเป็นุกเนุกโทรจำโมสังโข